พระองค์พาสุขณที่นั้นพระองค์อยู่ที่ป่าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยนะสงเคราะห์ใครก็สงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงเคราะห์พระพิสุ ป, ปัญจวัคคีพระยาศะพร้อมทั้งสหายก็ทําให้มีผ้ารานเกิดขึ้น51องค์ในโลกเนนะที่เฉพาะในพรรษาแรกเนี่ยนะก็หกรูปเนี่ยนะหกรูปพรรษาที่สองเนี่ยนะ พระองค์ก็เสด็จประทับอยู่นพระเวรุวันมหาวิหารกรุงราชครึกก็พระคันทกุตีเนี่ยนะเวลาเข้าไปในตรงประตูเข้าไปเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ในเขตที่ที่เข้าไปอยู่ทางซ้ายมือทุกวันนี้ก็มีมีหลงฝังศพไปฝังทับอยู่ตรงนั้นอ่ะพระคันธกุตีจะอยู่ตรงนั้นที่ที่พระเวรุวันมหาวิหารกรุงราชครึกอันนี้พรรษาที่สองพรรษาที่3ที่4ก็อยู่ที่ เวโรวั wan, ik, นมหาวิหารอีกนั่นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐที่มีอํานาจเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะพระเจ้าพิมพิสาเนี่ยปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์รวมของการค่าเป็นศูนย์รวมของพ่อค่าประชาชนเป็นศูนย์รวมของรัฐที่เดียร์ออของนักสแสวงบุญนะนะถ้าใครจะทําบุญสแสวงบุญเรียกว่าเป็นเป็นแหล่งรวมจริงๆเลยเป็นแหล่งรวมของพวกฤษีอะไรเป็นต้น พระ อ, องค์ก็อยู่ที่นั่นช่วยสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ธรรมอันพรรษาที่สองสสก็ประทับอยู่ที่เวลวันมหาวิหารส่วนพรรษาที่5อันนี้ก็ประทับอยู่นะกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีเนี่ยนะก็แถวแถวที่เราไปห่มผ้านั่นแหละ ท, ท, ที่จะไปห่มผ้าที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเนี่ยนะส่วนพรรษาที่6ก็ประทับอยู่ที่มกุลระบันพศ ภูเขาตรงนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้มกุละบรรพศเนี่ยนะพรรษาที่7ปกติพระ อ, องค์ก็จะจําพรรษาที่ดาวดึงพิภพเนี่ยนะหลังจากที่แสดงย่ามะกะปาติหารเนี่ยนะย่ปะกะปาติหารที่ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะสาวัตถีตรงใกล้ๆเมืองสาวัตถีที่เรียกว่าควงคันดามะพฤกเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงยมะกะปาติหารจบเสร็จ โปรดแสดงธรรมสงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็เสด็จจาภาษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงอภิธรรมปิดกโปรดพุท ธ, ธมารดาภาษาที่8ดพระองค์ประทับอยู่ณเพศกลาลวันสูงสุมารคีรีแควนภคะในภคะชนบทก็เพื่อโปรด อ, อ, อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีอุบาสกบาสิกาอยู่คู่หนึ่งที่เป็นอดีตพ่อแม่ของพระ อ, องค์มา ติดกัน500ชาติแล้วก็เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นปู่คือเกี่ยวพันกับพอเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหมือนกับว่าเห็นลูกที่จากไปนานอย่างนั้นเพราะว่าเกี่ยวพันกันประมาณพันห้ารชาติติดกันนะก็เรียกว่าถึงก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเรียกลูกได้เลยเนี่ยและพระองค์ก็ไม่ห้ามอะไรเพราะว่าเคยสัมพันธ์กันมานานขนาดนั้นพระองค์ก็ประทับจําพรรษาที่8ที่เมืองนั้นส่วนพรรษาที่9 พรรษาที่เกเนี่ยพระองค์ประทับจำพรรษาอยู่ณเมืองโกสัมพีเนี่ยนะโกสัมพีที่วัดโคสิตารามของท่านโคสกเศรษฐีเนี่ยนะที่โคสิตารามวัดของโคสกเรษฐีแล้วก็หน้าที่แห่งนั้นเนี่ยนะหลังจากนั้นอ่ะก็มีพระพิสุทธะทะเลาะกันพรรษาที่10พระองค์ก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ราวป่าป่าลิลายยกะมีช้างอุปถัมภ์อยู่ที่นั่นสำหรับพรรษาที่11พระองค์ก็ประทับ ณนะบ้านพราหม์ชื่อว่านาราณนะทักคิณาคิรีช น, นบทการที่พระองค์ประทับบ้านพราหม์ชื่อว่านาราเนี่ยแหละเป็นเหตุให้พระองค์แสดงกสิภารัตวา์ชาสูตรเนี่ยนะสูตรที่แสดงเปรียบเหมือนกับการไถนาก็แสดงประมาณพรรษาที่11นั่นแหละส่วนพรรษาที่12บพระองค์ก็ไปประทับอยู่ณนะเมืองเวรัญชาครับว่าไปประทับอยู่ที่ใกล้โคลนต้นเสดา ที่อาคดวัตนาเลรุปุจิมันทมูเล่เนี่ยนะอาคดวัตที่ที่คนต้นเสดาที่นาเลรุยักษ์สิงสถิตใกล้เมืองเวรัญชาที่เวรัญชพรามเข้าไปหาฟังธรรมเนี่ยนะพรรษาที่13บราองค์ประทับอยู่ณจาริยบรรพศจาริยบรรพศเนี่ยอ่าเป็นภูเขาใกล้เมืองจาริยะเป็นเมืองที่อาคดว่าตอนสร้างในแผ่นดินไหววา ง, งั้นก็เลยเรียกว่าจาริยะบรรพศ พรรษาที่14พระ อ, องค์ก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารจริงๆแล้วพระเชตวันเนี่ยนะสร้างมานานแล้วแต่พระ อ, องค์ก็เพิ่งมาจําพรรษาที่พรรษาที่14แสดงว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ยการก่อสร้างหรืออะไรหลายเรื่องยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีอํานาจมากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาบัน อาณาจักรของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลในการประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่พระ อ, องค์ก็ประทับอยู่แถวแถวเมืองราชครึกเนี่ยค่อนข้างบ่อยพอในช่วงพรรษาหลังๆมาเนี่ยนะหลังจากนั้นมาเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็รับพระเจ้าชาติศัตรูมากเริ่มให้อำนาจพระเจ้าชาติศัตรูมากขึ้นบ้นเมืองราชจครึกมันจะเริ่มปั่นป่ว น, นพอสมควร เมื่อปั่นปวนพอสมควรช่วงหลังๆมาก็ถือว่าอยู่ที่เมืองราชกฤชไม่มากนักนะัะนะพระองค์ก็เริ่มมาที่เมืองประทับเมืองเมืองสาวัตถีเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองที่เพียบพร้อมบริบูรณ์ส่วนพรรษาที่16พระองค์ก็ไปฝึกอาละวะกะยักษ์ให้สัตว์ 84% ดหมพันเนี่ยเดิมอมะตะธรรมเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่เมืองอาลวีตอนนั้นก็เน้นไปโปรดอาระวะกะยักษ์ให้ชาวเมืองอาลวีแล้วก็ ไอราชกุมารที่อละวะอารวะยากจะกินเนี่ยจะเป็นอุปถากที่ที่ใหญ่มากเป็นอุปถักคนสําคัญคนหนึ่งเลยแหละส่วนพรรษาที่17บพระองค์ก็มาจําพรรษาที่เมืองราชครืกอีกเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่เมืองราชครืกพรรษาที่18ก็มาประทับอยู่ณนะจารยะบรร พ, พศพรรษาที่19ก็ประทับอยู่ที่จารยะบรนพศเหมือนกันพันจารยะบรรพศเนี่ยประทับอยู่ สพันษาเนี่ยนะจารยาบรรพ์แสดงว่าสปายะมากพระองค์เลือกจำพรรษาตั้งสมพันษาส่วนพรรษาที่ยี่ก็ประทับอยู่ที่กรุงราชครึกแสดงว่าพระองค์ประจำพรรษาอยู่ที่เมืองราชครึกเนี่ยหพันษาพรรษาที่สองสามสี่แล้วก็สิบเจ็ดและยี่สิบพรรษาที่สองสามพรรษาที่สี่พรรษาที่สิบเจ็รรษาที่ยี่ประทับจําพรรษาอยู่ที่เมืองราชครึกเนี่ยนะอาจจะเป็นที่เขาคิ้นโจรหรือ สวนของหมอชีวกโกมารพัฒหรืออะไรน่แถวๆนั้นนะหรือที่ตะโปธารามกคือสามารถอยู่ได้หลายแห่งด้วยกันแต่ว่าสรุปว่าในเขตเมืองราชครกนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าถามว่าพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไหร่ข้างก็ย้อนทบทวนว่าช่วง20พรรษาแรกเนี่ยพระ อ, องค์อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นประจำแม้แต่แห่งเดียวที่ไหนพระ อ, องค์อยู่ผาสุก คำว่าภาสุขของพระพุทธเจ้าหมายคก็ว่าที่ใดจะสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนัยศัสตร์ทั้งหลายให้ตรัสรู้หมายคก็ว่าอยู่ที่ไหนมีประโยชน์ที่สุดพงษ์จะอยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนใครบำรุงดูแลดีก็อยู่ที่นั่นนานไม่ใช่อย่างนั้นหมายคก็ว่าอยู่ที่ใดจะเป็นไปเพื่อสงเคราอบเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ธรรมได้มากพงษ์ก็อยู่ที่นั่นนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะพรรษาที่21เรื่อยมาก็ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารและก็ปุกพาราม ใกล้กรุงสาวัตถีก็เลือกอยู่2วัดเนี่ยนะปุปพารามนี่อยู่ทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีเชตวันอยู่ทางทิศใต้พระองค์ก็จะเข้าเออนะคือสลับกันกวันละคืนเนี่ยนะคืนนี้อยู่เชตวันคืนพ่งนี้อยู่ปุปพารามคืนนี้อยู่ปุปพารามวันหลังก็มาอยู่เชตวันก็สลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้จนถึงพรรษาเกือบสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าพรรษาสุดท้ายพระองค์มาประทับอยู่ที่เมืองภยัยาลีอีกครั้งหนึ่ง ประทับที่เมืองไพราลีเพราะตอนนั้นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเตรียมจะจะยกยกทัพเนี่ยไปตีเมืองไพราลีงนั้นการที่พระองค์ไปประทับอยู่ที่เมืองไพราลีในช่วงนั้นเนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เกรงใจสงครามก็จะสงบประงับพอที่จะโปรดมูสัตว์ให้บรรลุมรรคผลอีกในมากมายเนี่ยพนระองค์ก็ไปจําพรรษาณที่นั้นออกพรรษาก็ามาเมืองสาวัตถีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็หลังจากนั้นจึงเสด็จไปเพื่อปรินิพาน นี่ก็ทบทวนพุทธประวัติเนี่ยนะทบทวนพุทธประวัตินี่หนึ่งบอกว่าเมื่อใดพระศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อไหนก็คือตอนที่ตรัสรู้แรกๆเลยใช่ไหมตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกเรียกว่า ว, าวิสาขะเลิกกันนะวันเพ็ญเดือนวิสาขะก็คือวิสาขะเลิกวันเพ็ญเดือน6เนี่ยวันนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยวิมุติสุขอยู่49วันเนี่ยนะสีวันก็ เกือบเกสองเดือนเนี่ยนะก็คือจากวันเพ็ญเดือนหไปจนถึงโน่นแหละวันก่อนวันก่อนเข้าพรรษาหรือวันอาสาฬหะพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองที่ป่าอสปิปัตนามฤุกทายวันแขวงหรือเขตกรุงพาราณสีพระองค์ก็จำพรรษาอยู่ที่นั้นจนออกพรรษาปวารณาเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาเสด็จไปทําไมไปตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยนะ เพื่อฝึกเฉเดนสามพี่น้องที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดตามเส้นทางเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แถวแถวพุทธคยาสมัยนี้เขาเรียกว่าพุทธคยาเนี่ยนะหรือตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปโปรดที่เมืองพารณนสีซึ่ง45ยชน์ก็ไกลโคแล้วพระองค์ก็กลับมาที่แถวแถวตำบลคยาก็คือแถวแถวจังหวัดคยาตอนนี้ที่จังหวัดคยาเสร็จแล้วจากคยาเนี่ยจึงจะไปราชครึก ก็คือเรียกว่าไปแล้วก็ย้อนกลับมาใกล้ๆที่เดิมแล้วก็จึงแวะเข้าไปที่ราชคครกเพราะว่าถ้าจะโปรดสงเคราะห์ประชาชนชาวเมืองราชคครกได้เนี่ยจะต้องโปรดเฉเดน3มพี่น้องก่อนจะต้องไปฝึกนะไปฝึกให้เฉเดนสามพี่น้องเนี่ยจเจริญด้วยไตรศิกขาเสียก่อนจึงจะไปโปรดเมืองราชคครกได้เพราะเขาถือว่าอารหันในยุคนั้นเนี่ยนะเขานับถือเฉเดน3ามพี่น้องมากว่าในบรรดาลที่ที่ เคร่งที่สุดว่างั้นเถอะเคร่งที่สุดที่โลกเขานับถือว่าอารหันเนี่ยนะโลกนับถือว่าอารหันทั้งประชาชนชาวอังคาและชาวมคธเนี่ยให้ความสําคัญนับถือพิเศษเลยก็คือเจเดน3ามพี่น้องอุรุเวและกัสปะซึ่งมีบริวาร500เนี่ยนะนาทีกัสปะมีบริวารตั้ง300และขยากัสปะมีบริวาร200เนี่ยท่านมีบริวารตั้งพันเนี่ยกรมรัฐที่นั้นเนี่ย ม, มีมีสำนักใหญ่มากเลยนะสำนักที่มี 500อยอยู่ห้าร้ยเนี่ยอยู่300้อยอยู่200ยเนี่ยแล้วก็3มพี่น้องอย่างเงี้ด้วยโหคนนับถือมากแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยยังหายากเลยสํานักที่เรียกว่าสำนักปฏิบัตใิใหญ่ขนาดนั้นอ่ะนะตั้งก็คนเนี่ยประชาชนเนี่ยขึ้นเป็นรัดๆเลยเป็นควน้ควนๆเลยดังั้นการที่จะไปโปรดเมืองราชเครือกได้เนี่ยจะต้องสงเคราะห์อสองสำนักนี้ก่อนเออขอไปสงเคราะห์สำนักฉดินนี้ก่อนถ้าโปรดได้สําเร็จก็ ก็เรียบร้อยนะพระองค์ก็มาอยู่โปรดที่นั่นอยู่นานมากเลยนะอยู่สงเคราะห์เฉลินสามพี่น้องอยู่เป็นเดือนๆนจนถึงกลางเดือนพุทธสมาธิประทับอยู่ที่นั่นสองเดือนก็คือสองเคราะห์เนี่ยตั้งสองเดือนครั้งแรกเนี่ยนะเดือนแรกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยก็คือสอนอะไรไม่ได้มีแต่การแสดงปาฏิหารพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี่ยสองเดือนแสดงปาฏิหารประมาณ 3,500 ประเภทเนี่ยนะ ก็เสร็จแล้วก็จึงดแสดงอาทิตตะปริยัตสูตรให้เชเดนสามพี่น้องบรรลุมรรคผลหลังจากนั้นก็มีเชเดีนสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารหนึ่พัน 1, นั่นแหละจึงเข้าไปในเมืองราชเจรค์เนี่ยนะเข้าไปเมืองราชคจริค์ผลสรุปว่าตั้งแต่เมืองพาราณสีไปจนถึงเมืองราชคจริเนี่ยนะใช้เวลานานเท่าไหร่หเดือนคือหลังจากออกพรรษามาจนถึง เข้าเมืองราชเครึกเนี่ยเขาบอกว่ากินเวลาห้าเดือนทีนี้หลังจากนั้นฤดูหนาวผ่านไปคือมันหลักการมันเป็นอย่างนี้ว่าวันออกพรรษาเนี่ยเหลือฤดูฝนอีกหนึ่งเดือนแล้วก็เข้าฤดูหนาวอีกสี่เดือนพอฤดูหนาวผ่านไปเพันหมายเขาว่าหลังจากวันออกพรรษานับอีกหเดือนก็เท่ากับว่าวันหมดกรถินพอดีเลยเรียกว่ามหมดเขตกรถินก็คือโน่นอะประมาณเดือนสามพประมาณแถวแถวกลุ่มพาแล้วละ่ะแถวนั้นแหละ ทนี้เมื่อฤดูหนาวสิ้นไปรุ่ดูหนาว ส, สิ้นไปก็แปลว่าหมดหน้าหนาวก็หมดหน้าหนาวก็ประมาณแถวๆนั้นแหละกุมภามีนาเนี่ยแถวนั้นแหะจากนั้นนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะพระอุทายีพอเป็นทูตนะเป็นราชทูตที่พระเจ้าสุโธทนะส่งมาก็มาอยู่ณที่นั้นเนี่ยหลังจากบรรลุเป็นพระทหารประมาณเจ็ดแปวัน ท่านพระ อ, อุทายีนั้นเนี่ยนะรา ว, วันเพนเดือนสี่เราเดือนสี่ก็คิดว่าฤดูเหมันล่วงไปแล้วฤดูวสันก็เข้ามาถึงหมายความว่าสิน้นฤดูหนาวฤดูร้อนก็เข้ามาเป็นสมัยที่พระตถาคตเนี่ยเสด็จไปกรุงกบิลพัทเป็นเวลาที่สมควรจะได้ไปโปรดพระญาติแล้วพอท่านคิดอย่างนี้ก็ไปพันน า, นาการเสด็จไปด้วยคาถา60คาถาเรียกว่าพันนานายกย่องว่า แม้สมควรที่จะไปจริงๆนะชมอยู่60สคาถาเพื่อประโยชน์แก่พระองค์จะได้เสด็จไปยังพระนครแห่งสกุลจะได้ไปสงเคราะห์ตระกูลครั้งนั้นพระศาสดาเนี่ยนะสะดับคําของท่านพระอุทายีพระองค์ก็มีพุท ธ, ธประสงค์จะทําการสงเคราะห์พระประโยชน์ด้วยใจกรุณามุ่งที่จะปลดเปลื้องให้พระประโยชน์พ้นจากทุกข์ให้ประโยชน์ทั้งหลายประสบความสุข พ ร, ระองค์ก็แวดล้อมไปด้วยผ้าหัน์ทั้งหมดด้วยกัน 20,000 รูปมีแต่ผ้าหันอย่างเดียวเลยนะส0งหมรูปผ้าหันสอง0 0ื่รูปเอามาจากไหนกุลบุตรชาวอังคาชาวมาคตเนี่ยประมาณห0 0 0นรูปอังคามาคตก็คือใครบ้างอะกลุ่มชะดินสมพี่น้องกลุ่มบริวารภาษารีบุตรกลุ่มพวกที่เลื่อมใสแต่สรุปว่าตอนที่พระองค์อยู่ที่นั่นเนี่ยหลายเดือนเนี่ยมีประชาชนเนี่ยออกบวชมากมายแล้วก็กุลบุตรที่ มาจากกรุงกบิลพัฒน์อีกหมื่นรูปคือพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยนะส่งอมาตะไปสิบนายพร้อมทั้งนายและทหารละพันละพันละพัน10บนายบวกทหารอีก10บพันก็เท่ากับหมื่นหนึ่งนะก็ไปบรรลุปเป็นพาสทหารหมดพรองพร้อมด้วยพระภิกษุอรหันต์สองหมื่นรูปสเสด็จหนทางประมาณ60หกสิบโยต์ผะจากเมืองราช จ, จครึกไปเมืองกบิลพัฒน์เนี่ยนะหกโยต์เดินทางวันละโยต์เดินทางสองเดือนจึงถึงพอไปถึง พระญาติทั้งหลายเนี่ยไม่ถวายบังคมพระพุทธเจ้าเลยทุกคนเนี่ยก็ด้างมากเว้นแต่พวกอายุต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงยมกะปาติหารเปรียบเหมือนการโปรยฝุ่นละองทุรีลงบนเสียงของพระประยุรญาตพระประยุรญาตก็เลยถวายบังคมพอถวายบังคมขณะที่สัพพองกําลังแสดงยมกะปาติหารหลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมภาษาริบบทก็มาทูลถามปัญหาพระองค์ก็เลยแสดงคำภีพุทธวงศ คือจริงๆถ้าจะตอบง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงพุทธวงศ์เนี่ยแสดงเมื่อไหร่บอกแสดงอย่างเข้าสู่พรรษาที่สองก็คือแสดงประมาณประมาณเดือนอะไรก็ประมาณเดือนเดือน6 <ๆ S 2> เดือนเจ็ดอะนะประมาณแถวๆนั้นอะช่วงๆนั้นอะเพราะว่าในฤดูร้อนเนี่ยพระ อ, องค์ก็เดินทางตั้งสองเดือนเลยใช่ไหมเดินทางตั้งสองเดือนก็แสดงแสดงพุทธวงศ์ประมาณสักเมษาหรือพฤษภาแต่เชื่อว่าประมาณสักพฤษภาเนี่ย คือหลังจากตรัสรู้ได้หนึ่งพรนษาถามว่าแล้วคำพีพุทธวงศ์เนี่ยเป็นคําของใครท่านบอกว่าเป็นพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทั่วไปแก่พระสาวกไม่ทั่วไปแก่พระประเจกกับพุทธเจ้าเพรดังนั้นคำภีร์พุทธวงศ์เนี่ยนะไม่ใช่วิสัยของพระสาวกแม้กระทั่งพระอัครส า, าวกไม่ใช่วิสัยของพระสารีบุตรพระโมกขาลานะที่จะเอามาแสดงได้ ไม่ใช่วิสัยของพระประเจกพระพุทธเจ้ามาแสดงได้นี้คําถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วแล้วใครนําสืบทอดคัมภีรพุทธวงศ์มาล่ะก็ใครนํามาก็คือสืบทอดมาก็ตอบว่าอาจารย์ทั้งหลายนี่นําสืบกันมาจริงอยู่พุทธวงศ์นี้พระเทเรทั้งหลายเป็นต้นยกตัวอย่างครั้งแรกเลยก็คือพระสารีบุตรรับมาจากพระพุทธเจ้าพระพัตชิพระติศพระสิกขวะพระโมคคีบุตร พระโมคขลีบุตรนี่อยู่ในสังขยานาครั้งที่สล้นะสังขยนาครั้งที่แรกก็คือรุ่นพระนลใช่ไหมสังขยานาครั้งที่สองก็รุ่นพระสิขวะครั้งที่สก็พระโมคคลีบุตรแล้วก็หลังจากนั้นก็พระสุทธะพระธรรมิกะพระทาสกะพระโสนกะพระเรวตะก็คือกลุ่มกลุ่มพร ะ, ะที่นําไปสูกก่เกาะศรีลังกาเนี่ยนะเป็นต้นก็นําสืบกันมาจนถึงสังขยานาครั้งที่สหมายคถาว่า พอถึงสังคายนาครั้งที่3ลูกศิษย์ของพระเถระเหล่านั้นก็ช่วยกันนํามาเพราะฉะนั้นอาจารย์เหล่านั้นคือพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ช่วยวยส่งจําสืบสืบกันมาตราบเท่าจนถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นการตั้งคําถามเพื่อจะให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับคมภีร์พุทธวงศ์ว่าคัมภีร์พุทธวงศ์นั้นไปอย่างไรมาอย่างไรก็เลยตั้งคําถาม7คําถามเนี่ยนะถ้าตอบได้ก็แสดงว่าเข้าใจ ภาพรวมของคมภีพุทธวงได้อย่างคำแรกว่าพุทธวงนี้ใครแสดงบอกพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนที่นิโครทารามกรุงกบิลพัทแสดงเพื่อประโยชน์แก่ใครก็คือเพื่อญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสดงเพื่ออะไรแสดงเพื่อให้ข้ามออกจากวัตตะแสดงเมื่อไหร่ก็แสดงเมื่อเสด็จไปกบิลพัทครั้งแรกเพื่อสองเคราะห์ปยุระยะ พุทธคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยเป็นคำของใครจริงๆไปบอกเป็นของพระพุทธเจ้าและใครนำสืบมาบอกภาษารีบุตรเป็นต้นนำสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็เป็นคำถามย่อๆเจ็ดคำถามส่วนเกี่ยวกับผู้ที่จะศึกษาพระธรรมนะนะศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวคี่เรียกว่านิทานนิทานเนี่ยแปลว่าเหตุนะเหตุเกิด เหตุเกิดหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นมาโดยลําดับก็เรียกว่านิทานท่านพระพุทธตะท่านบอกว่าจะพันานาขยายความคัมภีร์พุทธวงศ์นั้นเนี่ยนะที่มีการนําสืบต่อกันมาอย่างนี้ก็เหตุที่การพันานาเนื้อความอธิบายขยายความคำภี์พุทธวงศ์เนี่ยมันมันมีความจําเป็นมากที่จะต้องแสดงนิทาน3อย่างคือเหตุเกิด3มอย่าง หมายถึงว่าเหตุเกิดเหตุเกิดของความเป็นพระพุทธเจ้านี้สามสามตอ น, อนนะคือคือต้องแบ่งชีวิตของพระพุทธเจ้าถามว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่นั่นเป็นโสมเมศบัณฑิตมาจนถึงดับขันปรินิพานเขาจะมีการแบ่งชีวิตช่วงตั้งแต่เป็นโสมเมศบัณฑิตจนถึงดับขันปรินิพานก็มาแบ่งเป็นช่วงๆพันการที่จะอธิบายพระพุทธพจน์ได้เนี่ยนะอธิบายคำเภียอธิบายพระธรรมได้จะต้องเป็นคนที่มองอย่างเนี้ย มองมองตั้งแต่น้น่ะวันที่ได้รับพุทธภยโกรจนถึงวันปรินิพานจะต้องแบ่งช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ก็เลยจำเป็นต้องเอาทูเรนิธานเรื่องไกลามากอาวิทูเรนิธานก็ไม่ไกลสันนิเกนิธานก็คือเรื่องที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละแล้วพันน า, นาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีถ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติความเป็นไปของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรไปจนถึงพระองค์ดับขันปริณีพานเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องราวอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยพันนาการขยายความเนี่ยมันไม่ยากอธิบายง่ายแล้วก็ผู้ที่ฟังแล้วก็จะรู้เรื่องได้แล้วก็รู้เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่เหตุที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธตาบอกว่าจะต้องแสดงนิทานให้ฟังก่อนแสดงเรื่องราวนะนิทานไม่ใช่นิทานเล่านิทานอิศพ ที่ที่ยกเรื่องราวขึ้นมาในลักษณะนั้นไม่ใช่หรือว่ายกขึ้นมาอุปมาอุปไมยก็ไม่ใช่คำว่นนานิฐานแปลว่าเรื่องที่เคยมีมาแล้วในอดีตเนี่ยนะเรื่องที่เคยมีมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าเรื่องสามเรื่องเนี่ยน ะ, ะเรื่องไกลเรื่องไม่ไกลหรือเรื่องใกล้ท่านจะแสดงแต่เฉพาะย่อๆเช่น ว, ว่าทุเร น, นิทานก่อนเรื่องที่อยู่ในในไกลมากตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่พระมหาสัต สุเมธบัณฑิตเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีแทบเบื้องบาทของพระพุทธเจ้าพระทศพลพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร น, นะบำเพ็ญบารมีทั้งหมดจวบจนจุติจากอัตภาพพระเวสสันดรแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเรื่องราวตั้งแต่สุเมธบัณฑิตจนถึงสันดุสิตเทพบุตรเนี่ยนะเรื่องตั้งอ น, มงนุมาตั้งสี่อสงไขยมาจนถึงกลับเนี่ย อันนี้แหละแค่แววเรื่องไกลทุเรศเลาล ว, ว่าไกลามากนะนะไกลแค่ไห น, ไหนออกเสียสงไขแสนกลับก็แล้วกันนะถ้าหากว่าตั้งแต่อยู่ดำรงอยู่จุติจากดุสิตเนี่ยนะหมายก็ว่าพิจารณามหาวิโลกนะแล้วก็จุติจากดุสิตปฏิสนธิในพระครภ์ของพระนางมหามายาจนคลอดออกจากพระครันเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเจริญเติบโตมาจนออกบวช ได้ตรัสรู้สัพพัญญุตยานที่โพธิมณฑลโพธิมณฑลเรื่องราวตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตรัสรู้เรียกว่าอาวิทูเรนิธานไม่ไกลเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะนับตั้งแต่ชาติที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะตั้งอยู่ในคันจวบจนตรัสรู้เรียกว่าไม่ไกลเนี่ยนะไม่ไกลเท่าไหร่แต่พูดสมัยนี้ก็ใกล้ไกลนะตั้งสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยนะไกลมากส่วนเรื่องที่ไม่ไกลเนี่ยนะเรียกว่าสันติเกนิธานเนี่ยไม่ไกลเนี่ย ตั้งแต่ไหนตั้งแต่พระองค์บรรลุพระสัพพัญญุตยานนับมหาโพธิมณฑสถานกระวานโดยรอบสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจนถึงเตียงปรินิพานคือคือช่วงระยะเวลา45ปีแรกแรกตรัสรู้จนถึงเตียงปรินิพานในระหว่างนี้ไม่ว่าพระองค์ประทับอยู่ณที่ใดๆที่ตรงนั้นเรียกว่าสันนิเกนิธานหมดเรื่องไม่ไกลเช่นอะไร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพะควาสาวัติยังวิหารตีเชตวันเนียนาถปินธิกาสะอาราเมเอเป็นต้นเนี่นะอันนี้ก็เรื่องไม่ไกลเนี่ยนะก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณธิกาเศรษฐีใกล้ ก, ลกรุงสาวัติหรือว่าเอกังสมัยยังพะควาอานาเวลวันนางกาลันทการนิวาปะ เป็นต้นก็คือที่พระองค์ประทับอยู่ที่เวลุวันกาลันตะการนิวาปะสถานใกล้กรุงราชครึกหรือว่าในกรุงราชครึกเนี่ยนะหรืออย่างเช่นที่ประทับที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงภัยาลีอันนี้เรีกวเรื่องไม่ไกลสวรุว่าช่วงเนื้อหาเรื่องราวที่อยู่ในระหว่าง4ี่สิปีที่บำเพ็ญพุทธกิจบำเพ็ญพุทธกิจ กิจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์เวนายสัตว์ทั้งหลายอันนี้ถือว่าเรื่องราวที่อยู่ไม่ไกลคือถ้าหากว่ามองชีวิตของพระพุทธเจ้าสามระยะอย่างนี้เนี่ยนะสมระยะระยะไหนระยะแรกระยะตั้งแต่เท้าเท้าของพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงอยู่ดุสิตจากดุสิตมาจนถึงตรัสรู้จากตรัสรู้ถึงปรินิพานถ้าเข้าใจเรื่องราวสามขั้นตอนนี้แล้ว การขยายความคัมภีรพุทธวงก็ทําไม่ยากหรือผู้ที่ฟังพระธรรมก็จะฟังไม่ยากจะได้นึกออกว่าอยู่ในช่วงไหนแคว่าอยู่ในช่วงไหนเท่ากับตลอดเส้นทางชีวิตเน่ยนะเส้นทางชีวิตของพระพุทธเจ้าเส้นทางชีวิตของพระโพธิสัตว์ปฏิบั ต, ติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้เข้าใจว่าเนื้อความอยู่เนี่ยเฟนสมัยใหม่เรื่ออะไรนะถ้าเดินทางเรื่องกมที่เท่าไหร่ปราณนะั้นนะจะได้รู้ว่าเออเหตุเกิดที่กมหนึ่งมสี่ห้ กมที่เท่าไหร่มันสมมติอะสักสักหมื่นกมอย่างเงี้ยนะหมื่น 10, กิโลเออเรื่องราวที่กิโลที่80กิโลที่3 0 0พันเป็นต้นเนี่ยนะระยะทางเป็นหมื่นหมื่นกิโลก็ได้เข้าใจแนะจะได้มองภาพว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นไปอย่างไร